ขอน้อมน้อมต่อคุณพระตนตรยของการพระจา์เพสารพระเถรานุเถระเพื่อนสนร ม, มิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงโปรดกลุ่มพยัสสะให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเดินทางไปยัง อุลุเวลาเสนานิคมเพื่อจะโปรดชดินจำนวนหนึ่งพันองค์ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นในระหว่างทางได้เสดไปพักที่ไรฟ้ายแห่งหนึ่งในขณะนั้นกลุ่มพัทยกุ ม, มารคือชายหนุ่มซึ่งมีตระกูลดีสามสิบคน ได้ไปเที่ยวเล่นอยู่แถวนั้นทุกคนก็พาภรรยาไปด้วยแต่มีอยู่คนหนึ่งไม่มีภรรยาก็เลยพาโสเพณีไปแล้วก็ไปเล่นที่ในสารลาน้แห่งหนึ่งก็วางสิ่งของมีค่าไว้ปรากฏว่าอโสเพ น, นีนั้นก็ได้ลักขโมยของมีค่าของชายหนุ่มแล้วก็หนีมาชายหนุ่มนั้นพอขึ้นมาก็ไม่พบ อ่าของมีค่าตนเองก็เลยอพากันตามหาผู้หญิงนั้นแล้วก็ได้พบพระเจ้าอยู่ในบริเวณไล่ฟ้ายก็ไปถามพระองค์ว่าได้อพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไหมพระเจ้าก็ตรัสว่าเธอต้องการค้นหาผู้หญิงหรือต้องการค้นหาตัวเองชายหนุ่มพอได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความพิษวงใจ ในคำตรัดเหล่านั้นก็เลยกล่าวว่าต้องการที่จะค้นหาตัวเอง <c oughs> พรเจ้าก็เลยทรงแสดงอนุปพิคขาและยติอลสศัตติจนทั้งมารบทั้งสามสิบนั้นก็ได้มีดวงตาแห่งธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบท แล้หลังนั้นก็ได้ออกได้ส่งออกไปประกาศภาษาหนาต่างๆต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเออ <c oughs> การที่บอกว่าค้นหาผู้อื่นหรือค้นหาตนเองนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะผู้ใดกลับมาค้นหาตนเองแล้วก็ได้พบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนเองเป็นอย่างไรนะเป็นคนอย่างไร <c oughs> มีกิเลสอย่างไร มีสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรนะในตัวเองนี่แหละเมื่อค้นความจริงก็จะพบความจริงตรงนี้แต่ถ้าเราไปค้นหาสิ่งต่างๆหรือเราจะรอบรู้ไปทั้งพิภพบจบจักรวาลทั้งหลายเป็นด็อกเตอร์จบทุกสาขาวิชามันก็ไม่ใช่เป็นการค้นหาตัวเองอยู่ดนะีตราบใดที่ยังไม่กลับมาค้นหาตัวเองมาพบความจริง ในอริยสัจ4ซึ่งปรากฏขึ้นในกายและใจนี้เราก็ไม่มีทางทิศจะพ้นทุกได้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินทางต่อไปเพื่อไปโปรดกลุ่มราชดินทั้ง 1,000 ันนี้ซึ่งในจุดหมายจริงๆแล้วพู้ ต, ต้องการที่เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์แควค้นมคธเพื่อไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร แต่ว่าในกรุงราชาคฤห์นั้นมีบรรดานักปราชญ์หรือเจ้ารัติต่างๆมากมายซึ่งชลินนี้ก็เป็นเจ้ารัติอย่างหนึ่งเช่นกันซึ่งพระเจ้าพิมัสานก็มีความเคารพเ่ิมใส่เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่จะโปรดให้ชาวกรุงราชาคฤห์ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าต้องการที่จะสถาปนาภู้ปสานาในกรุงราชาคฤห์นั้น จะต้องมีกลุ่มอาชะดินนี้ติดตามไปด้วยเพื่อว่าจะเป็นเหตุให้มหาชนในกลุ่มราชคือกลับมาสนใจพุทธสาราได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกก็คื อ, อต้องมีกลุ่มชดินติดตามไปด้วยครั้นี้ก็เดินทางไปถึง <c oughs> ที่อุลุเวลาเสนานิคมก็ไปพบกับอาชะดินพี่ใหญ่มีนามว่าอุลุเวนกัสปา ซึ่งมีบริวารอยู่หนึ่งร้อยเออบริวารอยู่ห้าร้อยครา้นี้ก็ได้ทรงขอข้าไปพักแต่ว่าอุลุเว่นเห็นว่าไม่สะดวกเพราะว่าไม่มีที่ให้พักก็เลยปฏิเสธไปในในระ ใ, ในตอนแรกแต่พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรขอพักในโรงไฟก็ได้อุลุเว่นบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะในโรงไฟมีพญานาคซึ่งมีพิษมากมีมีความดุร้าย อาจจะทำลายถึงกับความตายได้แต่พระเวยาก็บอกว่าไม่เป็นไรขอพักแล้วกันจากการเข้าไปพักก็พญานาคกลางคืนก็มีความไม่พอใจก็พ่นพิษพ่นไฟแต่ก็กทำไหลพระเจ้าไม่ได้ในสุดก็ทรงใช้ลิธธนุภาพทำให้พญานาคนั้นมาลงมาอยู่ในบาทคณ้กลุ่มของชาดิน ซึ่งเห็นกลางคืนมีไฟลุกนะครับย่งโหมอย่างรุนแรงก็คิดว่าเอสมณะนั้นตายคงจะตายแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไรก็ก็เกิดความอ่าตื่นตะลึงแล้วก็เปิดบาดให้ดูอาภร น, นักมาอยู่ในบาด น, นี่ก็ส่วนเนื้็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาแต่อุลุเวนก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เกิดความศรัทธาอย่างแท้จริงก็คิดว่าอ สมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่ได้เป็นผ้าหันเช่นเดียวกับเราะในสุดก็ให้ผู้เจ้าได้พักได้แต่ว่าไปพักในบริเวณด้านนอกกวปหน่อยซึ่งเป็นบริเวณชายป่าและหลายๆครั้งหลายๆคืน <c oughs> ก็จะมีอ่าเท้าจตุรบัตทั้งสี่บ้างอ่าพระอินบ้างพระพรหมบ้าง <c oughs> มาอ่าในแต่ละคืนซึ่งไม่ซ้ํากันก็ปรากฏมีรัษมีสว่างสวัย อุลเว่นก็จะไปถามพระเจ้าว่าเมื่อคืนมีผู้ใดมาจึงได้มีแสงสว่างสวัยพระเจ้าก็บอกไปตามเช่นนั้นว่ามีผู้ น, นั้นผูณนีมาอุลเว่นกับสปาก็คิดในใจว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่ได้เป็นพระหันเหมือนกับเราพระเจ้าก็ได้ทรงทรมานด้วยวิธีการต่งางๆมากมายจนในที่สุดก็ได้ชี้ไปที่อุลเว่นว่าจริงๆแล้วท่านยังไม่ได้เป็นพระหัน ขนทางที่ท่านปฏิบัติอยู่ก็ไม่เป็นคนทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบุญเวรได้ฟังฉะนั้นก็เกิดความสลดใจแล้วก็จริงๆก็ยอมรับมาต้งนานแล้วก็เลยหมดความมานะทิฐิก็เลยกราบแล้วก็ขออุปสมบทเป็นภาษาบุกของพระเจ้าหลังจากนั้นทั้ง พระอุลเวนกัสปะและสาวกทั้งหมดห้าร้อยก็ลอยเครื่องบริการของชดินลงไปตามแม่น้ำขอผสมบทต่อมาก็น้องอนาทีกัสป ะ, ะก็มีบริบาลอยู่สามร้อยเห็นเครื่องบริการลอยมันก็คิดว่าพี่ชายคงยะมีอันตรายก็เลยเดินทางมา มารู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปจะได้ช่วยเหลือก็ปรากฏว่าได้พบเหตุการณ์พี่ชายได้บวชแล้วก็เลยเามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรก็เกิดศรัทธาก็ขอบวชเองแล้วก็ลอยบริการมาตามน้ําอีงน้องเล็กคือขยะกรปะซึ่งมีบริวารอยู่สองร้อยก็คิดว่าเกิดเหตุลายกับพี่ชายแ ล, แล้วก็รีบเดินทางมาแล้วก็มาพบเหตุการณ์เช่นนั้นอีกนะแล้วก็เลยอ เกิดความเข้าใจก็เลยขอบวดลทั้งหนึ่งพันกับสามรูปคือบริวารหนึ่งพันแล ะ, ะพี่น้องทั้งสามก็ได้ <c oughs> อุปสมบทเป็นสมณ ะ, ะเป็นพระเช่นเดียวกับพระวิ้านะก็ติดตามในครั้งนั้น <c oughs> แต่ <c oughs> ทั้งกลุ่มชนินนี้เป็นกลุ่มที่บูชาไฟในสมัยก่อนนี้ <c oughs> มีความศรัทธาในการบูชาไฟเพราะว่าในความเชื่อของในยุคนั้นก็เข้าใจว่าการบูชาไฟเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเป็นทำให้เกิดบุญแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะบรรลุธรรมไดนะ้ก็มีการบูชาไฟกันมาตลอดพระเจ้าก็เลยเข้าใจในจุดนี้นะในสุดกเ็เลยพาไปที่บริเวณ แม่น้ำขยาเดินทางไปในระหว่างทางเมื่อถึงแม่น้ำขยาแล้วคุป้าก็ได้ทรงแสดงอาทิตตปริยัจสูตรซึ่งเป็นอภิสูตรที่สําคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร้อนซึ่งถูกจริตกับกลุ่มชัดินเหล่านี้ที่นิยมเอาไฟหรือความร้อนอยู่แล้วซึ่งอาทิตตปริยา ย, ยสูตรนี้มีความสําคัญในระดับหนึ่งที่ เพราะว่าเมื่อสรงแสดงแล้วกลุ่มชนินทั้งหมดหนึ่งพันสามก็บรรลุเป็นพระรหัตทั้งหมดคราวนี้ใน <c oughs> เนื้อความมีอย่างไรก็คงก็ส่งแสดงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคือไรสิ่งทั้งปวงคือ อ, อ, อยายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกคือ รูปรถกลิ่นเสียงผลพะธรรมลมเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟไฟคือลาคะโทสะโมหะหรือลา ค, คัคขโทสักคิโมหคินี่แหละคือความร้อนร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายความโศ ความลำลายลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแข้งใจนี่แหละคือความร้อนสิ่งที่เป็นความร้อนทั้งปวงนั้นก็คือตาที่เห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขวิญญาณคือวิญญาณทางตาเมื่อเกิดสามอย่างขึ้นมาก็จะเกิดผัสสะ เมื่อเกิดผัสสะก็จะเกิดเวทนาเวทนาก็มีสุขเวทนาคือความพอใจทุกขเวทนาคือความไม่พอใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้เฉยๆครา น, นี้สิ่งเหล่านี้มีความร้อนได้อย่างไรนะก็เมื่อยกตัวอย่างเช่นตาซึ่งเป็นอายตระภายในเห็นรูปซึ่งเป็นอายตระภายนอกคร น, นี้การเห็นนี้นะก็ยังไม่ครบถ้วน ก็ยังไม่เกิดเวทนาอยูด่ดีต่อเมื่อใดที่มีจักขู่สัมผัสจักขูวิญญาณคือวิญญาณคือการรับรู้ในทางตาเกิดขึ้นก็จะเกิดสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสก็จะมีเวทนาตามมาคือความพอใจความไม่พอใจหรื่อยเฉยๆนี่แหละคือความร้อนครนี้นะตาตาที่เห็นรูปถ้าหากว่าการเห็นนั้นเป็นการเห็นที่ ไม่ได้เกิดจากขูวิญญาณก็มีนะเช่นบางคนนอนหลับเนี่ยนอนหลับแต่ว่าก็ยังลืมตาอยู่อนะอันนี้ก็ไม่ไม่เกิดการรับรู้ทางตานะก็ไม่เกิดจากขูวิญญาณนะหรือคนที่สลบไปก็แล้วแต่บางทีอนะเราเปิดพเพย์เปึกตาเขาเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพราะเขาสลบไปทางท้งที่ตาก็นะนะลืมอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เกิดจากขูวิญญาณนะหรือจริงๆแล้วแม้แต่เราซึ้งไม่เป็นอะไรเลยอนะ เราก็อาจจะมองนู่นมองนี่แต ann, лин, ion, ่ว่าในขณะนั <c iden> ้นนะเราก็ไปคิดเรื่องอื่นๆไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่บางทีแม้แต่คนเดินผ่านก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเดินผ่านเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้เดินมากี่คนก็ไม่รู้นะหรือบางทีเราเดินไปตามทางก็เห็นดอกไม้ต้นไม้ต่างๆเยอะๆก็ไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างไม่เห็นดอกไม้อะไรเห็นแค่ผนผ่านเท่านั้นเองไม่ได้เกิดเวทนารใดๆเกิดขึ้นมาเลย อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดการจักขวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉนั้นเมื่อตากระทบรูปแล้วต้องมีจักขวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นะเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดเวทนาตามมาะเช่นเราเห็นเห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นผู้หญิ ง, งตาคือตาเรากระทบะรูปคือรูปผู้หญิงเกิดขึ้นมาแล้วมีการรับรู้ในตรงนั้นก็จะเกิด อ่าผัสสะหรือสัมผัสในขณะนั้นะพอเกิดสัมผัสะก็เกิดเวทนาตามมาคือความยินดี <c oughs> พอใจในผู้หญิงนั้นว่ามีความสวยงามเมื่อเกิดอ่าผัสสะในตรงนั้นว่ามีความสวยงามก็เกิดเวทนาตามมาคือความพอใจเหล่านั้นะจริงๆแล้วเมื่อ เ, เกิดความพอใจมันจะเกิดอ่เมื่อเมเวทนาเกิดขึ้นก็มีตัณหามีวัฏทานตามมาอีกนะอ่า เป็นความยึดติดนะเป็นอ่สิ่งต่างๆที่เราไปยึดมั่น <c oughs> ในความทยานอยากที่เราอยากจะได้พบอ่าได้เห็นสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆนะหรือยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะอันนี้ก็คืออ่เมื่อตาเห็นรูปแล้วต้องเกิดจากขวิญญาณด้วยะจึงจะเกิดเวทนาขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นรูปแล้วแล้วไม่เกิด จากคูวิญญาณขึ้นไม่เกิดการรับรู้แม้ว่ารูปนั้นจะสวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีพอใจหรือความไม่ยินดีไม่พอใจก็ไม่เกิดเวทนาตามมาเพราะนั้นในการที่เราจะเกิดเวทนาก็คือในอายระรนะทเรื่องหกเมื่อกระทบรูปแล้วก็ต้องมีจากต้องมีวิญญาณในการรับรู้ในอายระรนะต่างตามมาทุกๆแห่งจึงเกิดเวทนาตามมา เกิดจากครูวิญญาณโส ต, ตวิญญาณคือทางหูชิวหาวิญญาณคือทางลิ้นสัตธ์วิญญาณคือทางกลิ่นกายวิญญาณคือกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งในทางกายมโนวิญญาณคือเกิดวิญญาณรับรู้ในทางจิตใจนึกคิดต่างๆเกิดความยินดีลายขึ้นมาอันนี้เป็นเวทนาเวทนาเหล่านี้ เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรต่อนะก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาความร้อนก็คือราคะโทสะโมหนะลาคะก็หรือความโลภก็คือสิ่งเดียวกันนะลาคะลนะาคะเป็นความร้อนเพราะอะไรนะเพราะเป็นความยินดีความติดความพอใจนะความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นที่เห็น เกิดขึ้นทำให้เกิดการอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วความทุกข์เกิดจากการที่เราเกิดราคาแล้วมันไม่ใช่ว่าเราได้หรือไม่ได้แต่เกิดจากการที่เราราคะความอยากได้อยากํากหนัดในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นความทุกข์แล้วแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดนะบางทีเราก็เห็นด้วยตัวเราเองอคือถ้าเราไปให้ค่าในสิ่งใด สิ่งนั่นแหละจะนำความทุกข์มาให้เราบางทีเราเฉยๆหรือบางทีเราอาจจะไปเดินตามห้างตามอะไรไปพบเสื้อผ้าที่สวยงามจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความอยากได้มาก่อนแต่พอเราเห็นเราติดใจเราอยากได้จิตก็จะดิ้นรลนทันทีนะดิ้นหลนเลยบางที ท, ทั้งดีเสื้อผ้ามีเยอะแยะแล้วก็ยังดิ้นรลนอีก บางทีเดินออกไปแล้วก็เดินกลับมาอีกอามาดูอีกครั้งหนึ่งอะไรเหล่านี้นะมีเงินพอบางทีก็ซื้อเลยไม่มีเงินพอก็อุตส่าห์รีบกลับบ้านไปเอามาหรือไปเบอร์เอทีเอมต่างๆเหล่านี้นะมันไปติดใจในตรงนั้นแล้วมันก็ให้ค่านะหรือผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงก็ติดใจนะจะต้องมีอะไรตามมาเยอะแยะขอเบอร์โทรศัพท์ต้องการไปเห็นเข า, าต้องรู้จักเขา ต่างๆเหล่านี้นะมันก็นํามาในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนะหรือเราเห็นคนที่เราไม่พอใจเห็นเพื่อนเราเดินมาโอ้ไม่พอใจคนนี้ยืมเงินแล้วไม่จ่ายมันก็นําความทุกข์มาให้เราแล้วนะอเราจะหลีกเลี่ยงไม่อยากพบไม่อยากพูดคุยด้วยมันเกิดการดิน้นรนในใจเราทั้งนั้นะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเวทนาทิ่ตามมาทั้งนั้นนะเกิดจากการที่เรา รู้ไม่เท่าทันนะราคะนั่นเองนะครั้นี้นะโทสะโทสะนี่มันจะนําความทุกข์มาให้เราอย่างแท้จริงนะเพราจริงๆแล้วเราโกรธใครไม่ใช่ว่าคนที่โดนเราโกรธเขจะทุกข์นะแต่ตัวเราเองนี่แหละทุกข์เรายิ่งโกรธคนเรายิงทุกข์เรายิ่งอาฆาตพยาบาทเราก็ยิ่งทุกขนะ์บางคนนี่บอกว่าเออชาตินี้จะไม่เผาผีเลยนะ อันนี้มันจะยิงทุกหนักนะเพราะนั้นนะตรงนี้คือไฟจริงๆนะเป็นไฟโทสะนี่มันร้อนและรุนแรงที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันนำความทุกข์มาให้เราจริงๆทุกขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าผู้ที่มีโทสะคือมีความร้อนเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกนะมันน่ากลัวมาก พอจิตคนที่อ่าร้อนในโทสะนี้เมื่อตายในขณะนั้นอมันจะดึงดูดเข้าสู่นรกทันทีเพราะว่าอ่าเป็นภพภูมิที่มีสาภาวะธรรมตรงกับจิตเราในขณะนั้นนะแล้วก็ทรงตัดอ่าในหลายเรื่องที่ว่าโทสะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแม้แต่โจรอโจรมาเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาอวัยวะน้อยใหญ่ของเรานะถ้าเราไปโกรธโจรนะ อันนั้นก็ทื่ว่าไม่ได้เป็นสาวกของเรานะหรือผู้ที่เข้ามาด่าเราแล้ ว, ลวมีความโกรธแล้วเราไปโกรธตอบก็ทรงตัดว่าอันนั้าเราเลวกว่าเขาอีกนะนะก็ ค, คือความโกรธนี่เป็นความเลวจริงๆนะเป็นความที่ไม่ดีนําความทุกข์มาให้นําไปสู่นรกนะเพราะฉนั้นผู้ใดอยากจะเป็นนรกก็ให้โกรธบ่อยเถิดนะอันนั้นก็ได้ไปสู่นรกแน่นอนเพราะจิตจะจําสภาวะธรรมนั้นได้เมื่อจําได้แล้วมันจะไปไอจินกรรม นะอาจินกรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเราให้ร้อนรุ่มในขณะเราจะตายนะก็ไปสู่นรกอย่างแน่นอนนะตรงนี้เราจึงต้องรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่มันจะนำเราไปสู่โทสะนะต้องสังเกตให้ไวนะรู้ความหงุดหงิดความขัดเคืองความไม่พอใจปริฆปาทั้งหลายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่โทสะนะ เพราะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์เล็กๆน้อ ย, อยเช่นความหงุดหงิดความขัดเคลืองเล็กน้อยเรารู้เท่าทันไหมถ้าเรารู้เท่าทันนี้เราออกจากเข้าได้เร็วนะมันรู้เฉยๆมันออกมาทันทีนะมันก็จะไม่เข้าไปสู่โทสะซึ่งมันจะเป็นภัยร้ายแรงแก่จิตใจของเรานะแกภพภูมิของเราด้วยนะตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจเต็มตรงนี้เราจะรู้ว่าออืความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแล้วเราก็จะมไม่อยู่กับสิ่งนั้นนะ คนที่เคยโกรธบ่อยๆถ้ารู้ตรงนี้แล้วนะเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําผิดมาตลอดอเพราะความโกรธนั้น่ะเป็นเหตุนําความทุกข์มาให้นั่นเองนะอันนี้นะเป็นสิ่งที่เราละได้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าผู้ใดที่โกรธเก่งะผู้นั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้เร็วเห็นธรรมได้เร็วเพราะว่าโทสะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดไวแล้วก็ดับเร็วด้วยมันจะเกิดให้เราเห็นเออมันมันเกิดขึ้นแล้วนะโทสะ แต่เมื่อเรารู้ทันแล้วมันก็ดับดับได้เร็วนะมันดับได้เร็วกว่าเราจะเห็นสภาวะที่เข้ามาแล้วเขาไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ไ ต, ไตนได้ชัดเจนซึ่งตรงข้ามกับอารมณ์บางอย่างเช่นความรักเนี่ยมันจะเกิดช้าแล้วก็ดับช้าแต่โทรศัพทนี่เกิดเร็วแล้ดับเร็วถ้าผู้ใดสังเกตได้ก็จะเข้าใจธรรมะได้เร็วขึ้นว่ามันมาเองมันไปเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ตนะต่อมาก็โมหะโมหะก็คือความหลง อันนี้ก็จะนําความทุกข์มาให้เราทุกข์เพราะอะไรหลงหลงคืออะไรหลงก็คือความที่เราไม่รู้ว่าในขณะนี้กายเรากําลังทําอะไรอยู่เดินเดินนั่งนอนเราไม่รู้จิตของเรามีความคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ทันนี่คือความหลงทั้งนั้นเลยความหลงมันจะนําให้เราไหลไปแนวอารมณ์ต่างๆได้เร็วเพราะความ จริงๆแล้วความหลงนี่เป็นหัวหน้าใหญ่นะถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่ไหลนะอ่าถ้าเราไม่หลงก็ไม่ไหลไปในทางราคะอ่ถ้าเราไม่หลงก็ไม่ไหลไม่ในทางโทสะอ่มันจึงหลงแล้วไหลนะเพราะฉนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความหลงมันก็ไม่ไหลอ่ากลายเป็นรู้แทนนะก็คือเรามาฝึกสติก็คือไม่ให้เขาหลงให้เขารู้นั่นเองนะมันก็จะได้ไม่ไหลไปตามกิเลสแต่จริงๆแล้วการที่เราหลงไปในการที่เราไม่รู้ทันความจริงในกายและใจ เป็นความหลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความหลงที่แท้จริงคืออะไรความหลงที่แท้จริงก็คือความหลงที่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าคือรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายและใจนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเหนะมือนที่เราสวดนาตตะลักนาสูตรที่ผ่านมานะที่พุทธเจา้าเลยทรงตัดว่ารู้ก่อนพิสุทั้งหลาย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 มันก็คือความหลงที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายและใจนี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเราอ่าเมื่อเรายึดมั่นเช่นนั้นแล้วนะมันก็เลยนําอ่าความทุกข์ต่างๆตามมามากมายจากการยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้ น, นะเพราะฉนั้นอ่กา ร, รปฏิบบธรรมทั้งหมดก็เพื่อที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนั้นเท่านั้นเมื่อเราถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตนหลดตนนั้นแล้วนั่นแหละจึงทื่ว่าเรา ลาโมหะคือความหลงได้อย่างแท้จริงเราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงในขันหานี้นะว่าสิ่งเหล่านี้นะมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้จากการเข้าใจเหล่านี้แหละจิตก็จะเกิดการละการคลายความยึดติดในตัวตนนี้ออกไปเมื่อเขาคลายออกจิตคลายออกแล้วอันนั้นก็หมายความว่าเราคลายอุปทาน ออกไปแล้วเมื่อใครอุปทานออกไปแล้วมันจึงไม่มีพบไม่มีชาติเมื่อไม่มีชคไม่มีพบไม่มีชาติมันก็อ่าไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมาในการในการเกิดการแก่การเจ็บการตายโศกกะต่างๆตามมามากมายนะอันนี้มันเป็นการล ะ, ะความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะจริงเป็นสิ่งที่ว่าอเรานะสามารถที่จะถอดถอนได้มากน้อยเพียงใด ถ้าเราถอดถอนได้หมดเราก็เป็นพระหรหันต์ได้เลยแต่ถอดถอนได้ตามลำดับมันก็จะเป็นบรรลุในอริยบุคคลในระยะต่างๆนะเพราะนั้นการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในขั้นแรกก็คือการที่เราสามารถละสกักก า, า, า, า, ารทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี้แหละเมื่อเราสามารถละสักการทิฏฐิคือความยึดมั่นในถือมั่นในตัวตนได้แล้วสังโยชน์ข้อลอต่าง ข้ออื่นที่ตามมาเราก็สามารถละได้ง่ายมากนะมันเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะคลายเกลียวอ่อันแรกได้แล้วนะซึ่งมันนั่นมากนะเมื่อใครออกมาเกลียวแรกได้เกลียวอื่นๆมันก็คลายได้ง่ายฝาจุกก็หลุดมันได้ง่ายอย่างอย่างอ่ายได้มากเลยนะเพียงแต่ว่าเราคลายเกลียวแรกเท่านั้นเองเกลียวแรกก็คือความที่เป็นยึดมั่นถือมั่นในสกักกาทิฏินี่แหละความเป็นตัวเป็นตนน ะ, ะเพราะนั้นหลังจากที่ พระพิจเจ้าได้ทรงแสดงอาทิตตะปริยายยสูตรนี้แล้วนะกลุ่มฉดินก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะเพราะจิตเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดนะเมื่อเกิดคลายกำหนัดจิตก็หลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนะอันนี้นะเป็นหนทางที่เรียกว่าความพ้นทุกข์ในการที่ว่าจิตเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายกาหนัด นะคำว่าคลายกำหนัดนั้นก็คือเวลาคะนั่นเองนะการมาทมจริงๆแล้วก็เพื่อให้เราเข้าสู่นิโรธนิโรธแปลว่าอะไรนิโรธคาว่านิโรธแปลว่าดับนะทุกข์นิโรดก็แปลว่าความดับทุกนะข์รานีนะ้การที่เราจะเข้าสู่นิโรธได้เนี่ยมันจะต้องเกิดเวลาคะขึ้นมาก่อนก็คือการคลายกำหนัดคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายตัณหานี่เองอย่างที่ว่าโยตัสายเยวะ ตันหายอาอเสสวิลาคะนะก็คือเกิดการนะคายกําหนัดในตรงนั้นนะมันก็จะเป็นวิลาคะเมืนะ่อเวนวิลาคะก็เป็นนิโรโทรจารโครปรนิสสะโคมุ ต, ติอนารโยเนะมื่อเกิดวิลาคะก็เกิดนะวิลาคะนิโรโทรก็คือนะิโรดนิโรตคือการดับทุกขนะ์จารโครคือการสละออกของตันหาปยินิสสะโคมือการสลัดคืนของตันหา มุตติคือการปล่อยการวางของตัณหาอนารโยคือการทำให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนะเมื่อการที่ตัณหาไม่มีที่อาศัยแล้วนะจิตก็คลายกำหนัดตั้งแต่ต้นอันตัณหาจึงอาศัยไม่ได้เมื่อตัณหาอาศัยไม่ได้นั่นแหละคือนิโรธแล้วเพราะว่ามันจะไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมานะอันนี้มันก็เกิดจากการที่เราคลายนะคลายจากความยึดติดต่างๆคลายกาหนัดคลายตัณหานั่นเองนะคือวิลาขานี่แหละ เพราะนั้นการปฏิธรรมทั้งหมดอนะก็เพื่อการคลายออกเพราะนั้นไม่ใช่การยึดติดนะมันจึงจึงจะหลุดพ้นนะแต่ถ้าจะไปยึดติดสิ่งใดมันก็ไม่หลุดพ้นเพราะมันจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นคื อ, อประทานอยู่นะต่อเมื่อใดที่ละจะักรประธานได้แล้วนั่นแหละจิตที่จะไม่เกิดพบเกิดชาติตา ม, มานะความทุกข์ก็จะหมดไปนะอันนี้ก็คือหลักธรรมสําคัญที่อ่านะได้ทรงประกาศเอาไว้นะที่ชาวพุทธนะควรที่มาเข้าใจ ในตรงนี้แล้วเราก็จะพบหนทางที่มันรัดสั้นที่จะบรรลุธรรมได้เร็วไม่เป็นยึดไม่ไปติดในสิ่งต่างนะเพราะการที่เราไปปฏิธรรมทั้งหมดมันก็จะสุบในตรงนี้ได้ว่าสัพเพธรร ม, มานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันนั่นเองเนะพราะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เป็นจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่ยากเนาะก็ขอทุกท่านบรรลุธรรมโดยทูวถึงกันในชาตินี้ทุกท่านเทิด